หกอมันขัดตรงไหนค้องตรงไหนแก้ให้หมดชำระออกให้หมดอย่าให้มีขัดอย่าให้มีคล่องอย่าให้มียุ่งยากให้มียุ่งเหยิงอย่าให้วุ่นอย่าให้วายวางให้สบายสบายสองเมื่อใจไม่ดีทำอะไรก็ไม่ดีการงานก็ไม่ดีสมัครผู้แทนก็ไม่ได้ค้าขายก็ไม่ดีทามาหากินก็ไม่ดีครอบครัวก็ไม่ดี ที่น้องก็มีดีชาวบ้านร้านตลาดก็มีดีประเทศชาติก็มีดี63เมื่อจิตเราดีทําอะไรก็ดีค้าขายก็ดีทํามาหากินก็ดีเล่าเรียนก็ดีครอบครัวก็ดีชาวบ้านร้านตลาดประเทศชาติก็ดี64เมื่อจิตเราคิดดีก็เป็นสุขนั่งก็สุขนอนเป็นสุขเดินเป็นสุข ยืนเป็นสุขจิตสุขจิตสบายเมื่อจิตสบายแล้วทำอะไรก็สบายค้าขายก็สบายทำราชการก็สบายครอบครัวก็สบายพ่อแม่พี่น้องก็สบายชาวบ้านร้านตลาดก็สบายประเทศชาติก็สบายหก้าพุทธะคือผู้รู้ความรู้นี่ไม่ใช่สว่างไม่ใช่แจ้งไม่ใช่หลงความที่มันหลงเราก็รู้อยู่มืด เราก็รู้อยู่สว่างเราก็รู้อยู่สุขมันก็รู้ทุกก็รู้อย่างนี้หกสิบหถ้าจิตเราไม่ดีก็ทุกยากวุ่นวายเดือดร้อนหนักห น, น่วงห่วงเหงาหานอนเดือดร้อนฟุ้งซ่านรําคาญหกสิบเจ็ดกิเลสทั้งหลายมันเกิดจากภายในทุกทั้งหลายมันเกิดจากภายในสุขทั้งหลายมันเกิดจากภายในหกสิบปด ให้เลือกเฟ้นหัวใจของเราใจมันมีมากใจดีใจชั่วใจสุขใจทุกข์ใจนรกใจเปรตใจสัตว์เดรัจฉานก็มีใจใบ้ใจบ้าเสียจริตก็มีใจหูหนวกใจตาบอดใจกระจอกงอกง่อยใจขี้เรื้อนขุดถังก็มีผลเรามีหลายใจใจเทวบุตรใจเทพธิดาใจพระอินทร์ใจพระพรหมใจเท้าพระยาหากษัตว์ก็มีใจคนมั่งมีสีสุขก็มี ใจเศรษฐีขหบดีก็มีใจในร้อยในพันในผลก็มีใจจอมผลก็มีเลือกเอาสิหกสิบเกถ้าดวงใจไม่ยากมันก็ไม่มีอะไรยากสิ่งทั้งหลายเขายากอะไรเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาไม่คุกไม่ยากอะไรสักอย่างเขาเฉยอยู่หมดเจ็ดสิบกิจตั้งมั่นนั้นเป็นยังไงมันไม่ได้ส่งไปข้างหน้ามาข้างหลัง ข้างบนข้างล่างตั้งจำเพาะ อ, อยู่ที่รู้ความรู้อยู่ที่ไหนเราก็เพ่งอยู่ตรงนั้นเจ็ดสิบเอ็ดคนตายไปแล้วจะอยู่ยังไงพอขาดเป๊บที่นี่ก็ขาดปับ๊บไปติดเกาะที่ใหม่แล้วไม่อยู่แล้วจะอยู่ทำไมนั่นอย่างนั้นหรอกเจ็ดสิบสองเราไม่ต้องคำนึงถึงอดีตอนาคตอดีตล่วงไปแล้วดีก็ดีมาแล้ว ชั่วก็ชั่วมาแล้วอนาคตก็ยังมาไม่ถึงทำปัจจุบันนี้ให้ดีอนาคตก็ต้องดีเจ็ดสิบสกรรมทั้งหลายไม่ได้มาจากอื่นไกลเกิดจากใจจากวาจาจากกายของเราเองเจดสิบสหนังนี่สวยยังไงหลักอาบน้ำชำระอยู่ทุกวันลองไม่อาบสักห้าวันเป็นยังไงละ่ะสกระปรกไม่ใช่หรือนี่หลักเห็นอย่างนี้แล้วเราไม่หลง เจห้าเปรียบภายนอกเหมือนกับเราทําการทํางานมันต้องรวมเข้ามาการงานจึงสําเร็จอันนี้จิตของเราก็เช่นเดียวกันถ้าไม่รวมเป็นมังคะสมังคีเข้าเป็นจิตดวงเดียวแล้วมันก็เลยไม่สําเร็จถ้าเรารวมจิตลงในอันรู้อันเดียวแล้วของอันเดียวเท่านี้หละ่ะนั่นละ่ะสําเร็จตรงนั้นเจ็สิบหสรุปหัวข้อใจความในพระพุทธศาสนาคือ กายกับใจเป็นที่ตั้งแห่งมรรคและผล77หากภิกษุสัมมเนรบวชแล้วเล่าเรียนศึกษาสำรวมศิกขาวินัยของตนเรียบร้อยรู้จักแล้วศีลพวกเราก็227สัมมเนรสิบเราสำรวมอย่างนี้ศาสนามันก็เจริญนะ่ะสิเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นศาสนาเลยเสื่อมเสียคนทั้งหลายจึงดูหมิน่นเพราะเราไม่มีศีลสมาธิปัญญา มีแต่ศีสะกลล้นและผ้าเหลืองว่าเป็นพระเท่านั้นเจ็สิบปปฏิบัติว้าย่าให้มันขาดที่ไม่ได้มากก็ให้ได้น้อยต้องหมั่นเข้าวัดฟังธรรมเสียก่อนจึงจะนอนทีงานการละอุตสาหะทำจนเหงื่อไหลจนเหนื่อยงานภายในของเราละ่ะเราไม่รักษาใครจะรักษา79็สิินห้าท่านให้ละเว้นโทษห้าอย่างเมื่อละเว้นแล้วอยู่ที่ไหนก็เป็นศีล ในป่าในดงอยู่ในรถในเรือก็เป็นศีลนี่มาว่ากับพระปานาติปาตาพอยุงกัดก็ตบปับ๊บรับกันวันยังค่ำก็ไม่เป็นศีลแปดสิบเราจำแนกแจกแล้วมันไม่มีคนมันมีแต่ผู้รู้เท่านั้นมันก็เป็นแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟไปเสียแล้ว ถ้าเราไม่ได้วัดดูแล้วมันก็ไม่รู้จักว่ามันอยู่ที่ไหนสถานที่ใดถ้าเราวัดดูแล้วเราก็รู้ว่ามันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่กับดวงใจของเรานี่ละ่ะดวงใจของเราเป็นผู้ปรุงผู้แต่งเป็นผู้ก่อภพก่อชาติเป็นผู้ก่อกรกรมก่อเวรก่อภัยเราก็มาเห็นดวงใจของเรานี่ละ่ะแล้วก็มาแก้ที่ดวงใจเท่านี้ละ่ะแปดสิบสอง ศาสนาไม่ได้อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับภูเผาเรากาท่านบัญญัติไว้กับตัวคนคนเป็นตัวพระพุทธศาสนา 83. เมื่อใจไม่สงบใจไม่ดีมันก็ทุกข์ยากวุ่นวายเดือดร้อนนี่หลักนำสัตร์ทั้งหลายให้ตกทุกข์ได้ยากในปัจจุบันและเมื่อหน้า 84. สต่อไปให้เข้าวัดฟังธรรม ฟังดูหัวใจของเรามันดีเป็นยังไงละ่ะคือจิตเราสงบมันดีใจเราดีมีความสุขความสบายเย็นอกเย็นใจไม่ทุกข์ไม่ร้อ น, ไ ม, นไม่วุ่นไม่วายสบายพุโทโธใจเบิกบานใจสว่างใจสวยัยใจผ่องใสใจสะอาดปราศจากภุกปราศจากโทษปราศจากภัยปราศจากเวรปราศจากความชั่วช้าลามก ปราศจากความทุกข์ความจน8ปสหเราทั้งหลายเกิดมานี้ย่อมมีความมุ่งมากปราถนาอยู่เป็นสามในในหนึ่งต้องการวัตถุข้าวของเงินทองมากๆในสองต้องการรูป ส, สวยๆ ง, งามๆอายุยืนในสต้องการมีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดเหตุใดจึงไม่สมความปราถนาก็เพราะเราไม่ได้ประพฤติปฏิบัติท่านได้วางข้อปฏิบัติไว้คือ มีทานมีศีลมีภาวนาสามในนี้ให้พากันรู้จักแปดสิบหกทำทั้งหลายอุศลธรรมอกุศลธรรมเราทํามาทั้งหมดมิใช่เทวบุตรเทวทิดารมให้พระอินทร์พระพรหมทําให้ทำทั้งหลายไม่ได้เกิดจากท้องฟ้าอากาศต้นไม้ภูเขาเหล่ากาจากบ้านจากเมืองถนนหนทางเกิดจากดวงใจของเรา แปดสิบเจ็ดชราปีทุกขาความเท่าแก่ชราคร่ำคร่าสุดโสมนี่หลักเป็นทุกข์ลุกก็ยากนั่งก็ยากทางท้องก็อยากทางปากคลื่นไม่ลงกินไม่ได้คนไม่มีฟันอยากแค่กินของแข็งก็กินไม่ได้นี่แหละทุกขอัตามาก็ถึงแก่หมดแล้วจะลุกแหมดังอึดจึงลุกได้คุดโถเดินไปมาเสนั่นเสนี่โอ้ทุกรู้จักไหมล่ะทุกนะ่ะ ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนแปดสิบปดไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเท่งดูซี่มันก็ไม่เป็นแก่นเป็นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นเป็นสารทำไมคนจึงล้มหายตายไปเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวเป็นตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นยาก เพราะเหตุนี้พึงเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแปดสิบเ้ 89. ใหมาดูรูปธรรมนา ม, มาธรรมรูปธรรมคืออัตภาพร่างกายของเรานี้นา ม, มาธรรมคือดวงใจของเรามันจะอยู่ชั้นใดภูมิใดพบใดดูให้มันเห็นซี่เกสิ0ให้พากันหยุดศกหาธรรมเสียจึงจะเห็นธรรมให้ดูสิ่งที่ปรากฏอยู่ในตัวของเรา สิ่งที่รู้อยู่ในตัวของเราสิ่งที่ปรากฏอยู่นั่นแหละความรู้สึกอยู่ที่ไหนให้ดูตรงนั้นให้กําหนดไว้ตรงนั้นให้เพ่งลงตรงนั้นเพ่งดูหัวใจของเรา9กสอสติวินโยสติเป็นวินยัยสติคือความรู้ความระลึกได้ความรู้อยู่สติเป็นวินัยนําตนออกจากความชั่วนําความชั่วออกจากตนเมื่อมีสติแล้วไม่หลง ไม่หลงก็ไม่ทำความชั่วเราจงมากำจัดความหลงนี้คือทำตัวให้มีสตินั่งสมาธิก็หัดสติพิจารณาก็หัดสติเมื่อมีสติอยู่แล้วเป็นผู้รู้อยู่แล้วมีวิ น, นัย92แต่ก่อนเราไม่มีโอกาสปฏิบัติว่าคากิจคาการคาบ้านคาช่องคาลูกคาหลานก็เดี๋ยวนี้นั่งอยู่นี่คาอะไรเล่ามันคาดวงใจของเราเท่านี้ละ่ะ เรื่องมันไม่ใช่คาอื่นให้รีบมาแก้เสียวันนี้แก้วันนี้ได้แล้วก็ได้หมด93ใจเราดีมีความสุขความสบายนั่งก็สบายเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายโรคหายภัยหายเคราะห์หายเข็ญหายกิเลสจันไรหายความชั่วช้าลามกหายความทุกข์ความจน94ใจมันทุกข์ยาก ให้หนักให้หน่วงให้ง่วงให้เหงาให้ทุกขัดตนขัดตัวเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ให้เกิดโรคเกิดภัยเกิดกิเลสกันไรเกิดความชั่วช้าลามกเกิดความทุกความโจรขึ้นมา95พยาธิ ป, ปีทุกขาเกิดพยาธความเจ็บไข้ได้พยาธอาพาธโรคาเกิดขึ้นในตัวของเราแล้วยิ่งทุกข์หนักเข้าไปทุกทีหนักเข้าเข้าน้ํำพดชนาหาร ของอะไรอร่อยก็เลยหายหมดจืดจางไปหมดขมไปหมดจึงว่าทุกข์ว่ายา่า96มรณะติดทุกขังทุกข์คือความตายมันหนักเหลือประมาณหาที่อยู่ไม่ได้ยกแข้งยกขาก็ไม่ได้หนักเข้าลืมตาก็ไม่ได้หนักเข้าหายใจก็ไม่ได้ขาดหมดลมหายใจดับขันไปจุติ97ตาสาหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่ว รูปไม่ดีไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่าเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาเกปวิธีดับบาดับกรรมดับความชั่วทั้งหลายดับภัยดับเวจรจะล้างบาปล้างกรรมล้างภัยล้างเวรทั้งหลายนั่นไม่มีวิธีอื่นนอกจากเรานั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิจิตเป็นหนึ่งแล้วเป็นจิตอันเดียวแล้ว บาป ก, กรรมทั้งหลายมันก็ไม่มีไทยเวรทั้งหลายมันก็ไม่มีความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่มีมีแต่ความสุขนะซี่9สิสุขเพราะเหตุใดสุขเพราะใจสงบทุกเพราะเหตุใดเพราะใจไม่สงบมันไปก่อกรรมก่อเวรก่อภัยไม่หมดสักทีกรรมเก่าก็ไม่หมดกรรมใหม่ก็เติมเรื่อยไปมันจะหมดสักทีหรอหนึ่งรอให้เราเข้าวัดฟังธรรม วัดดูซิว่าจิตของเราเวลานี้อยู่ในชั้นใดภูมิใดในภพอันใดให้รู้จักให้เรานึกพุโทโธพุโทโธบริกรรมเท่งเลงดูจิตของเราในพุโทโธนั้นถ้าจิตเราเป็นกุศลมันเป็นยังไงคือมันสงบมันไม่ส่งหน้าส่งหลังส่งซ้ายส่งขวาส่งบนส่งล่างตั้งเฉพาะท่ามกลางผู้รู้พุโทโธพุโทโธมันมีใจเยือกเย็ยนใจสุขใจสบาย กายยัลหูตาจิตตะลหูตาจิตเบากายมันก็เบาไม่หนักไม่หน่วงไม่ง่วงไม่เหงาหายทุกข์หายยากหายลำบากรำคาญสบายอกสบายใจนั่นละตัวบุญตัวกุสลแท้ 101เราทั้งหลายมาอย่างนี้ก็ต้องการสเสวงหาที่พึ่งอันแท้จริงของตนเราจะเอาอะไรเป็นสาระที่พึ่งในสามโลกนี้ไม่มีสิ่งอื่นนอกจากพุโทโธธัมโมสังโฆเท่านี้หลักมีเท่านี้ให้พึงรู้พึงเข้าใจหนึ่งร้อยสองให้พากันพึงรู้พึงเห็นในทุกท่านว่าชาติติดทุกขาเกิดเป็นทุกข์อยู่ในคันมันดาตั้งสิบเดือนจริงตัวก็ไม่ได้ เียวซ้ายแลขวาก็ไม่ได้มืดมิดเป็นโลกันตานรกไม่เห็นอะไรสักอย่างไม่เห็นฟ้าเห็นอากาศตอนหลุดออกจากคันมันดาท่านเปรียบเหมือนกับตกเหวร้อยช่วงหนึ่งสดูสิ่งเหล่านี้เป็นคนหรืออะไรให้มารู้จักนะรู้จักโมหัวใจตัวเรามันจึงจะรักษาได้เราไม่เห็นนะไม่เห็นโมแล้วหัวใจตัวเราก็รักษาไม่ได้มันก็ทะเยอทยานในรูปในเสียง ในกลิ่นในรถโพธทพะธรรมรมทั้งหลายหนึ่งร้อสอาการบาปเป็นยังไงคือเราประพฤติไม่ดีทําไม่ดีมันให้ทุกข์ให้โทษแก่เรามันให้เจ็บให้ปวดให้เป็นทุกข์เป็นยากเป็นลําบาก ร, ารําคาญให้อดให้จนให้เป็นใบเป็นบ้าหูหนวกตาบอดปากกืบกระจอกงอกง่อยที่ทูดกุดถังตกประกรรมลําบากทํามาหากินไม่พอปากพอท้อง ข้าวขาดแรงเกงขาดหม้อเสื้อขาดหน้าผ้าขาดหลังนี่หลักตัวบาปหนึ่งร้อยห้ารู้จักว่าเหนื่อยก็หยุดส่เปรียบเหมือนเราทํางานรู้จักว่าเหนื่อยแล้วก็หยุดอุปมาภายนอกอย่างนั้นรู้จักทุกก็หยุดอย่าไปโกกรรมกอเวกรก่อภัยต่อไปหยุดนิ่งให้มันว่างหมดพอจิตสงบนิ่งได้แล้วจิตตะละหูตาจิตก็เบา กายะหูตากายก็เบาจิตตะมุทุตาจิตมันอ่อนมันนิ่มอิ่มอกอิ่มใจสบายนั่นละ่ะคนทุกตรงนี้ละ่ะหนึ่ง้อยหกคนเดียวนี้ไม่มีศรัทธาความเลื่อมใสเพราะไม่รู้จักบาปบุญไม่เห็นตัวมันทำบาปก็ไม่เห็นตัวบาปทำบุญก็ไม่เห็นตัวบุญมันเป็นยังไงตัวบาปตัวบุญคือตัวเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เองละ่ะ ไม่ใช่อื่นไกลศีสะดำดพคอเกียวๆิวคือคนนี่ละตัวบาปตัวบุญหนึ่งร้อยเจ็ดศาสนาท่านไม่ได้หมายอื่นเป็นศาสนาในโอวาทปฏิโมกท่านให้ละชั่วทำความดีทั้งกายวาจาและดวงใจท่านไม่ได้ว่าอื่นเป็นศาสนาผู้ใดมาชำระดวงใจให้ผ่องใสเอตังพุทธานศสาสนังนั่นเป็นศาสนา สมาธิคือจิตตั้งมั่นนายช่างเขาตั้งเสาเขาตั้งยังไงเขาตั้งแล้วเขาก็มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเอนเอียงไปข้างไหนเขาก็ผลักขึ้นมาแล้วเขาก็เล็งดูจนมันเที่ยงตรงเขาก็ฝังไว้ให้มันแน่นนี่เรียกว่าถีติภูตังเราก็ตั้งใจของเราให้มันเป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้เราก็ต้องให้มันเที่ยง มันจึงจะเป็นพระนิพพานได้เรื่องมันเป็นอย่างนั้นหนึ่งร้อยแปดนิมนพระไปชักบังสุขุนว่าชักให้คนตายแค้ที่จริงนะ่ะให้พวกเราดูแต่ก่อนเขาก็เป็นเหมือนอย่างเรานี่ละห่วงนั่นห่วงนี่คานั่นคานี้มาเดี๋ยวนี้ตายแล้วเป็นอย่างไรละ่ะไม่คาอะไรสักอย่างเคยว่าเจ็บว่าปวดยุงกัดก็ดตีปวดนั่นปวดนี่ทีนี้เอาไปเผาไม่เห็นว่าอะไรเลยไม่เห็นอุ้ยสักคาเดียว แข้งขาตาหูจมูกก็มีครบเหมือนเราหมดดูซิพวกเราทั้งหลายมันต่างกันตรงไหนหนึ่งรอาการสาสองนี้มันเป็นแต่อาการมันเป็นคนที่ไหนเล่าปิดตังน้ําดีอย่างนี้เสมหางน้ำเสเลย์อย่างนี้ปุบโคน้ําเหลืองอย่างนี้โลหิตตังน้ําเลือดอย่างนี้เป็นคนที่ไหนเล่าจะไปหลงยังไงน้ําเหล่านี้ไม่ใช่เป็นของเราเป็นของทิ้งทั้งหมดไม่ใช่หรอือ ถ้ามันเห็นอย่างนี้มันก็ละสั ก, กะยะคิดธีได้มันก็ถอนอุปทานคันได้เองท่านจึงบอกเอหิปัสสิโกจงร้องเรียกสัตว์ทั้งหลายมาดูธรรมท่านไม่ให้ไปดูธรรมให้มาดูธรรมคือมาดูรูปธรรมนา ม, มา ร, รมที่ตัวเรานี่หละหนึ่งร้อยสิบไม่ใช่อื่นสุขไม่ใช่อื่นทุกข์จิตของเราเป็นผู้สุขผู้ทุกข์เราก็ดูซิเวลานี้เห็นอะไรสุขสักอย่าง เห็นอะไรทุกสักอย่างในโลกนี้หรือว่าต้นไม้ภูเขาเหล่ากาเป็นทุกหรือว่าฟ้าอากาศเขาเป็นทุกหรือข้าวน้ําโทษชนาหารเขาเป็นทุกหรือบ้านช่องเป็นทุกอะไรเป็นทุกที่เจรณาดูซิหนึ่งอเมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็ละได้วางได้จาโคปฏินิสโคมุตติอานานโยคือความสละความสละความวาง จิตมันก็ว่างเบาตนเบาตัวเบาร่างเบากายหายทุกข์หายยากนะสินี่หลักข้อสำคัญให้พากันเข้าใจหนึ่งร้สิบสองให้พากันเข้าวัดนะวัดดูจิตใจของเราต้องวัดเสมอนั่งก็วัดนอนก็วัดเดินยืนก็วัดวัดเพราะเหตุใจให้มันรู้ไว้ว่าจิตของเรามันดีหรือไม่ดีไม่ดีจะได้แก้ไขต้องวัดทุกวัน ตัดเสื้อผ้าก็ยังวัดไม่ใช่หรือไม่วัดจะใช้ได้อะไรละ่ะหนึ่งสิบสต้องนั่งพิจารณาดูให้มันรู้มันเห็นไม่ต้องไปหาที่ไหนนะให้ดูสิ่งที่มีอยู่ในใจของเรานี่ละ่ะมันมืดหรือมันสว่างนี่ละ่ะอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนแท้หนึ่งร้ญาติโยมว่าศาสนาอยู่กับพระพระว่าศาสนาอยู่กับพระพุทธเจ้าเลยพากันทอดทุระหมด ข้อนี้ให้รู้จักตัวเราคือตัวพระพุทธศาสนาห1 5มันสงสัยอยู่เลยละไม่ได้จิตมันเลยวุ่นวายวนเวียนอยู่เวียนตายเวียนเกิดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตาย ไม่รู้สักกี่กับกี่กันอนันตชาติหนึ่งสิสมมติว่าเราไปฆ่าเขาเขาจะดีใจไหมเขามาฆ่าเราหละ่ะเราจะดีใจไหมพิจารณาดูซิข้อนี้เราไม่ต้องการอย่างนั้นเราก็ต้องไม่ทำเมื่อเราไม่ได้ทำอย่างนั้นโทษทั้งหลายมันก็ไม่มีเกิดมาเราก็อายุยืนนานไม่ตายพรัพรากจากกันไม่ตายแต่น้อยแต่นุ่มหนึ่งสิเจ คนไม่มีความรู้แล้วอุปมาเหมือนคนตายเห็นไม่หลักจิตตะวิญญาณไม่มีแล้วเหลือแต่ธาตุสี่มันเลยเพึ่องอะไรไม่ได้หนึคนว่าทุกวันนี้าศาสนาหมดคราวหมดสมัยพระอรหันต์ก็ไม่มีมรรคผลไม่มีเสียแล้วคนเข้าใจอย่างนั้นเสียมากหมดคราวหมดสมัยแท้ที่จริงในธรรมคุณท่านบอกว่าอากาลิโก ไม่เลือกการเลือกเวลาเลือกฤุดูได้ผลอยู่เสมอธรรมะทั้งหลายมันหมดไม่เป็นเพราะว่าธรรมทั้งหลายไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลตัวของเรานี้เป็นธรรมมักผลการที่ไม่มีเพราะอาศัยคนไม่ปฏิบัติเมื่อคนไม่ปฏิบัติแล้วก็เลยไม่มีมักไม่มีผลถ้าคนยังปฏิบัติอยู่มักผลมันก็มีอยู่ตราบนั้นถ้าคนไม่ปฏิบัติแล้วก็จะเอามักมาจากไหนเล่า มักคือการกระทำเมื่อเรากระทำแล้วก็จะได้รับผลนี่ไม่ได้กระทำแล้วจะเอาผลมาจากไหนละ่ะท่านจึงบอกอักกาลิโกไม่มีการไม่มีเวลาแท้ที่จริงทำทั้งหลายมีแต่ไหนแต่ไรมามันมีอยู่อย่างนั้นหนึ่งิกหัวข้อใจความในพระพุทธศาสนาคือกายกับใจนี้เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งคุณพระพุทธเจ้า เป็นที่ตั้งแห่งพระธรรมเป็นที่ตั้งแห่งพระสงค์เป็นที่ตั้งแห่งมรรคและผล120ยสนี่ธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ารวมเข้าไว้ในจิตดวงเดียวเอกังจิตตังให้จิตเป็นของเดิมจิตตังความเป็นอยู่ถ้าเราน้อมเข้าถึงจิตแล้วคว า, ามสำเร็จอยู่ที่นั่นถ้าเราไม่รวมแล้วมันก็ไม่สาเร็จทาการทางานทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ต้องรวมถึงจะเสร็จถ้าไม่รวมเมื่อไร่ก็ไม่สําเร็จหนึ่งยอท่านมหาบพิตรท่านก็เห็นเราทั้งหลายมีความดีมีความใจดีมีความสุขความสบายท่านก็ได้รับความสุขความสบายเหมือนกับบิดามารดาลูกไม่ดีบิดามารดาก็เป็นทุกข์ถ้าลูกดีบิดามารดาก็เป็นสุขหนึ่งยสิสองประเทศชาติของเราจะอยู่ได้ อาศัยคุณงามความดีนี่เรื่องมันเป็นอย่างนั้นอย่าให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบประกอบเหมือนเมงเม่าเห็นไฟให้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบคือเรานั่งดูละ่ะสัมมาแปลว่าความชอบเราทำแล้วชอบอกชอบใจดีอกดีใจได้รับความเบิกบานได้รับความสุขความสบายไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่เรื่องเป็นอย่างนี้ นำความสุขความเจริญให้ในปัจจุบันและเบื้องหน้าหนึ่งยี่สิบสาเอา้าต่อไปจะไม่อธิบายอะไรละต่างคนต่างฟังใจของเราดูให้มันแน่นอนลงไปเชื่อมั่นลงไปให้มันได้หลักได้ฐานของตนได้ที่พึ่งของตนเองหนึ่งยี่สิบสี่เมื่อเหล่าท่านทั้งหลายได้พากันสดับปรับฟังแล้วในโอวาทศาสนีธรรมคำสั่งสอนนี้ ซึ่งแสดงโดยย่นย่อพอเป็นเครื่องปฏิบัติประดับสติปัญญาบารมีของท่านทั้งหลายให้พากันโยนิโสมนสิการกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนของตนให้เป็นไปในศีลเป็นไปในธรรมะคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วแต่นี้ต่อไปพวกท่านทั้งหลายจะประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามดังได้แสดงมา เอวังก็มีด้วยประการชนีดคัดลอกจากหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพของท่านพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรรวบรวมโดยท่านพระอาจารย์สุวัสสัวโจววัดถ้ำสีแก้วอำเภอภูผานจังหวัดสกลนคร พระตะวันปัญญาวชิโรวัดฝ่าสุทธาวาสตำบลทาตเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกล น, นครบรรยายเรียบเรียง